พึงพากันตั้งใจสำรวมใจขุนทนให้แน่วแน่ ว, <c oughs> วันนี้เป็นวันพระแปดคำ <c oughs> เ, เดือนพฤศจิกายนแปดคำ <c oughs> เป็นวันรักษาโอเบสถศีลในควันฟังธรรมของวาตุวาสิกา ซึ่งเคยกระทำกันมาตั้งแต่ขรางว่าพุทธเจ้าแม่พุทธเจ้าองค์ใดมาบังเกิดขึ้นในโลกก็ทรงวางข้อวัตรปิบัติอย่างนี้ไว้ให้อุบาสกอุบาสิกาได้ประพฤติตามเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกา มีกิจธุระเกี่ยวกับการงานการคลองชีพโยอมากมายแต่ว่าให้ถือโอกาสบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเอาเจ็ดวันต่อครั้งวันธรรมดาก่อทำการทำงานวันแปลกแปดคำสิบห้าคำก็เข้าวัดออทำความสงบกายวาจาใจสํารวมอินทรีย์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 อย่างนี้เดียว่ามันไม่ก้าวหน้าการบําเพ็ญบุญกุศลเนะี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อมันไม่เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในบุญในกุศลเมื่อผู้มาปฏิบัติตามข้อปฏิบตัติอันเป็นขั้นตอนอย่างว่านี่นะให้ถึงพร้อมอย่างนี้แนละ้วก็ทําให้บุญกุศลมันเจริญขึ้นได้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 แม้จะจำสินุบวสต์อันนี้ก็ไม่เขยสำรวมเอาแต่เรื่องภายนอกนุ่นมาพูดกันคุยกันเอาแต่เรื่องสัพเพเหระไม่ค่อยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดอันนี้นับว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยถ้าหากว่าผู้ใดไม่เข้าใจอย่างว่านี้นะไม่สำรวมตน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 การพูดการจามกันก็พุ่งไปหาตั้งแต่เรื่องภายนอกไปหาแต่เรื่องธรรมมาคาคายทำไรทนานาการได้การเสียคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เอาเรื่องควอื่นมาวิจาร์กันไอ้ไอหมู่นี้มันได้ชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง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 เพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงมีโอกาสสารวมอินทรีย์ได้เต็มที่แต่ว่ามันสํารวมได้แต่ตาหูจมูกลล้นกายแต่สํารวมใจไม่ได้เนี่ยใจนี่มันชอบออกนอกวัดอยู่เลยไปอย่างนี้ก็นอเป็นจุดอันตรายแก่ผู้เป็นนักบวชมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคําว่าสํารวมอินทรีย์มานินทรีหละสําคัญกว่าเพื่อนทั้งหมด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 กังที่เพิ่นแสดงให้ฟังบ่อย่อ ย, อยู่เนี่ยบางคนก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้เลยก็มีอย่างนี้แหละมันหนาแน่นโดยอวิชชาตันหามากคนเราอ่ะก็ต้องจับหลักให้มันได้เพราะว่ามันมีหลักยืนตัวอยู่ข้อปฏิบัติต่างๆนะแต่ว่าส่วนปีกย่อยทั้งก็ขยายออกไปแต่เมื่อพูดถึงหลักจริงๆแล้ว ก็อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยการสํารวมอินทรีย์หกนี่ถ้าสํารวมมันอินทรีย์คือสํารวมใจนี้ได้แล้วใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นโูกเป็นต้นดังว่านี้นะมันก็เท่ากับ ว, ว่าได้สํารวมอินทรีย์ทั้งหมดนั่นเองนะการสํารวมอินทรีย์ทั้งหกนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้ใจมันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่พัดผ่านมาทางตาเป็นต้น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 เมื่อมันยินดีในรถมันก็เสวงหารถเมื่อมันยินดีในสัมผัสมันก็เสวงหาสัมผัสอันที่ต้องการเหตุ้นะท่านยึงกับเล่าวว่าตัณหาน่คือความทะเยอทยานอยากในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้เมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็อยากไปไม่มีสิ้นสุดเลยเหตุนั้นคนเราถึงได้ทําบาปนั่นแหละ เพราะมันยากมากเกินขอบเขตเรื่องมันนะมันไม่ได้มันไม่ได้อยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมมันเลยกรอบแห่งศีลแห่งธรรมออกไปนั่นแหละสาเหตุที่คนเราได้ทําบาปอย่าไปเข้าใจว่าเ อ, อการละทันหาโมนี่เป็นหน้าที่แต่ของพระของเนนเท่านั้นคารวะไม่เกี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นนี้ พระธรรมก็ตามนักบวชก็ตามเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยเพราะว่าตัณหานีมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใครสะสมตัณหาไวมากเท่าไหร่ทุกข์ก็มากเท่านั้นจะเป็นเพศใดก็ตามไว้ใดก็ทัางเหมือนกันหมดเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงข้อปฏิบัติไว้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 แม้จะเป็นนักบวชนิมก็ขี้คลานภาวนาอย่าว่าจะเป็นครหัส่าเลยจ้ำจี้จำ้ำใสกันอยู่เท่าไรมันก็ไม่ไปไหนเลยเพวกคนขี้เกียจภาวนาเนี่นไนะบวชมาแล้วก็ถึงอยู่ไม่ได้เลยกิเลสตัณหามันครอบงําเอาสู้อํานาจกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ต้องซึกงขาลาเพศออกไปไอ้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้นั้นเพราะไม่ขี้ค้านภาวนา ฝึกจิตใจของตนในเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยมีความเลื่อมใสในองค์พระธัมมาสามพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เสมอโดยเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียบพร้อมไปด้วยราชสมบัตินานาประการมีบริสัทบริวารหอ้อมร่มอยู่ตลอดเวลา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 กัวปีเนี่ยไอปราสาตราชชนเทียนของพระสิทธะราชกุมารอันสวยสดงดงามอะไรต่ออะไรหมู่นั้นมันไปไหนหมดไม่มีแล้ว ม, มันพังลงเป็นอิดเป็นปูนเป็นดินทับผมกันอยู่บ้านของนาวิสาขาก็ดีบ้านของอนาัสาวินดีกะมหาเศรษฐีก็ดี วันนี้เขาก็สร้างสึกลามใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวมหาบัินี้ก็เห็นแต่ซากอิดซากปูนกองกันเหมือนกับภูเขาน้อยลูกหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เป็นผู้มีบุญญาบุมีแก่กล้าเต็มที่แล้วแม้ว่าผลบุญกุศลจักอํานวยความสุขความสบายให้ในโลกนี้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 เรามีสมบัติอะไรที่จะให้ใจมันผูกพันอยู่ในโลกนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าจะให้จิตใจมันห่วงใยเลือกนารวสวนอันใดก็มีจำกัดถ้าจะแบ่งสรนพันสว น, นกันในระหว่างพี่พี่น้องน้องก็ได้คนละไม่กี่ตารางวาอันนี้มันต้องคิดต้องครองดูให้ดีนกปวดอ่ะ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 อย่างนั้นแหละนอนกับ น, นอนโซฟานอนที่นอนอันสูงอันใหญ่อันอ่อนนุ่มนิ่มเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านีน้แล้วเลยติดไม่สามารถที่จะจากไปได้ถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็เลยไม่จากที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งอะไรไปเลยอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราไม่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 ยินดีรักษาอุโบสถสินเพราะว่ามานึกถึงชีวิตนั้นมีประมาณน้อยเดียวะจะมาหลงมัวเมาติดอยู่แต่ในสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆมูนนี้นี่มันก็นับว่าเสียเวลาไปมากมายไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่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 มันมีใจเป็นผู้ประกอบไว้ใจน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นนี่นะใจน้อมไปในความรักความรักมันก็เกิดขึ้นในใจเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ตนพออกพอใจก็รู้สึกว่าดี อ, อกดีใจชุ่มชื่นเลยใจเบิกบานนี่แหละเมื่อเมื่อใจมันน้อมไปทางแห่งความรัก กลว ง, งข้ามเอาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงมืต้นอันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพราะอกพอใจก็เกลียดชังมาหนิเนี่ยใจก็น้อมไปทางเกลียดชังเข้าไปนั่นแหละถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็คิดอิจฉามานี่คิดเบียดเบียนอยากจะให้มันล่มหายตายไปจากโลกนี้ซะอย่าให้ได้พบได้เห็นมันคนผู้นี้หรือว่าสัตว์ตัวนี้ แล้วเกลียดชังมันเลอะเกินอันหมนี้นะมันก็เกิดจากใจที่น้อมไปทางความเกลียดชังทังนั้นแหละเราพี่นะดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างยิงว่ามันขึ้นอยู่กับดวงใจเนี่ยบันนี้ใจที่ได้ฝึกฝนอบรมได้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาได้ฟังธรรมได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอย่างนี้นะ เมื่อมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วมันก็วันไม่วันไรไปตามสัมผัสจังกล่าวมานั้นไม่หลงยินดีไปตามอารมณ์ที่หน้าพอใจไม่หลงยินร้ายไปในอารมณ์ที่น่าเกลียดหน้าชังโดยเจริญปัญญาวิปัสสนาต่อได้บบบนี้นะสาเหตุที่มันจะละความยินดีนร้ายได้เนะโดยกําหนดเพ่งพิจารณาสภาวะสิ่งทั้งพวง มีรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปเมื่อมันเห็นความเกิดความแปรปวนความแตกความแตกดับแห่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆมันนั่นอยู่มันก็ไม่หลงแล้วนี้ไม่หลงยินดีนร้ายไปตามแล้วเพราะว่าสิ่งนั้นไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาให้ยินดี ย, นยินร้ายในความเห็นภายในใจิตใจนู่น ไม่มีเพราะว่าถ้าว่าเกิดขึ้นมีขึ้นนะพราะพระพเจ้าทรงสอนให้พี่นะเห็นว่าเป็นแต่สัตแต่ว่าสังขารเท่านั้นเองแหละถ้าโดยปรมาธรรมแล้วนะไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่ว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเท่านั้นแหละแต่แล้วโลกอันนี้นะ่ะ มันหากเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมันเกิดมีคนมีสัตว์ขึ้นมาแล้วมันก็มีสมมุติมีบัญญัติขึ้นมาพร้อมเพื่อการสังคมติดต่อท ร, รมาหาเลี่ยงทีพร่วมกันถ้าหากว่าไม่มีสมมุติบัญญัติขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อกันอย่างไรได้ อ, อันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสาหรับผู้ที่ยัง ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้แต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้นั้น่จะติดอยู่ในสมมุตินั้นหรือไม่ติดเนี่ย ม, มันสำคัญอยู่ตรงนี้เองเถ้าผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมจิตมีปัญญาเกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ไม่ติดอยู่ในสมมุติบรญญัติเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สมมุติเอาเท่านั้นเอง สมมติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งบนบาปตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ว่าสัตว์ว่าคนว่ายิงว่าชายหรือว่าอะไรต่ออะไรไปตามสมมติที่ตั้งกันขึ้นมานี่ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมอบรมปัญญาให้เกิดแล้วมันก็ต้องพิจารณารูปแจ้งตามเป็นจริง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 ทั้งเป็นนักบวชก็ตามผู้ครองเรือนก็ช่างก็ต้องอาศัยธรรมชาติเหล่านี้เลยอาศัยถาพูดโดยระ บ, บุชื่อแล้วก็อาศัยอาหารการบริโภคอาศัยผ้านุ่งผ้าหม่มนี่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยอาศัยยกยาแก้โรคภัไข้ไขเจ็บ ต, ต่างๆ